จเจรรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2 5 5หเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิ์วันฟังธรรมเป็นวันดูแล รักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้เจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาหกถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาเราก็ได้ดูแลร่างกายของเราด้วยการไปทรมาหากินเพื่อที่จะได้มีอมเงินทองมาซื้อปัจจัยสี่ที่สำคัญ ต่อที่มีความจำเป็นต่อการดำานิงชีพคือซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหง่มซื้ อ, อยารักษาโรคนอกจากนั้นเราก็ยังแวะไปดูแลกิเลสทันหาด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ด้วยการไปแสวงหายศถาบรรดาสัพแสวงหาการยกย่องสำลเิษเยือนยอแสวงหาทรัพย์ที่มากเกินความจำเป็นการกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการดูแลกิเลสตัณหาดูแลความโลภความโกรธความหลงดูแลความอยากคือการละตัณหาวิภวะตัณหา และภาวะตัณหาให้เจริญเติบโตมากขึ้นไปถ้ากิเลสตัณหาเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่าไหร่ความทุกข์ใจความความร้มร้อนจิตใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คืองาน <c oughs> ที่เราทำกันอยู่สามลักษณะด้วยกันลักษณะที่เรามาทำวันนี้เรียกว่า ทำเพื่อจิตใจถ้าทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาปัจจัยสี่ก็เรียกว่าทำเพื่อร่างกายถ้าทำเพื่อความโลภความอยากก็เรียกว่าทาเพื่อกิเลสตัณหางานทั้งสามประการนี้งานที่สำคัญที่สุดก็คืองานเพื่อจิตใจงานรองลงมาก็งานเพื่อร่างกาย ส่วนงานเพื่อกิเลสตัณหานี้ไม่ควรที่จะกระทำเลยเพราะจะเป็นโทษกับจิตใจนี่คืองานที่เราต้องรู้จักแยกแยะว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อกิเลสตัณหาก็ทำเพื่อความทุกข์ถ้าทำเพื่อร่างกายก็ทำเพื่อให้อยู่ไปได้จนกว่าจะหมดอายุไขถ้าทำเพื่อจิตใจ ก็จะทำเพื่อตัวเราเพราะเรากับจิตใจก็คือผู้เดียวกันจิตใ จ, จเจริญจิตใจมีความสุขเราก็จเจริญเราก็มีความสุขและจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเราทำอะไรให้กับจิตใจก็จะอยู่ไปกับจิตใจเสมอแต่ถ้าเราทำเพื่อร่างกายเราก็ทำได้ชั่วอายุขของร่างกาย ร่างกายเมื่อครบอายกุก็จะต้องหยุดไปหยุดทํางานไปตายไปส่วนกิเลสตัณหาเราทําให้มากเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็จะเติบโตมากขึ้นไปและไม่มีวันตายเพราะกิเลสตัณหาก็อาศัยใจเป็นที่อยู่ใจไม่มีวันตายฉันใดกิเลสตัณหาก็ไม่มีวันตายฉันนั้น ถ้าไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับการทำลายด้วยการดูแลรักษาใจด้วยการเข้าหาธรรมะธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้การที่เรามาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ก็เพื่อมาเพื่อทํางานให้กับร่างกายของเราให้ร่างกายของเรามีสเบียงมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่มหงมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเครื่องที่จะทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ mm hmm. การทําบุญทางจิตใจจึงเป็นงานที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และเกิดประโยชน์ที่สูงสุดการทำงานที่ร่างกายก็ได้เพียงแต่ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึง่งส่วนการดูแลกิเลสตันหาความโลภจากความอยากต่างๆก็เป็นการสร้างศัตรูของใจให้มีกำลังมากขึ้นไปเพื่อที่จะได้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ังนั้นงานที่เราไม่ควรจะทำเลยก็คืองานสำหรับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าจะทำก็ทำเพื่อร่างกายหามาเพื่อปจัปจจัยสี่ก็พอถ้ามีปจัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ควรที่จะเอาเวลาที่ว่างนี้มาหาความสุขให้กับใจ มาดูแลรักษาใจอย่างที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้ท่านได้นำอาหารเคาหวานเครื่องใช้ไม่สอยประจุปใจไทยธรรมต่างๆนำมาถวายพระนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทานทำทานเป็นเหตุบุญเป็นผลบุญแปลว่าความสุขใจความอิ่มใจ ความสบายใจทำทานแล้วก็จะเกิดความสุดใจขึ้นมาคำว่าทานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทั้งทำกับคารวาสแต่เรามักจะใช้คำนี้แทนกันเช่นทำทานนี่เราหมายถึงการให้สิ่งของให้เงินทองแก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชส่วนถ้าเราให้สิ่งของให้ข้าวของอาหาร ต่างๆให้แก่นักบวชเช่นพระภิกษุสา ม, มเณรเราก็เรียกว่าทาบุญความจริงเป็นกะเป็นทานด้วยกันเหมือนกันจะให้คารวะก็เป็นทานจะให้พระภิกษุก็เป็นทานผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าบุญก็เป็นบุญเหมือนกันให้คารวะก็ได้บุญให้พระภิกษุสา ม, มเณรก็ได้บุญ คือได้ความสดใจได้ความอิ่มใจถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือให้ด้วยความปรารถนาดีคือความเมตตาหรือให้ด้วยความเมตความกรุณาคือความสงสารเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ให้ความช่วยเหลือกับเขาไปโดยไม่ต้องโดยไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเลยอย่างนี้ก็จะเป็นบุญ พราะจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะได้ความสุขกลับมานี่คือผลที่เราพึงที่จะเริงรับกันอย่าไปทําเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะมีก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติของมัน คือบางทีเราทําความดีเราก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับการเค า, ารพนับถือและถ้าเราตายไปพบหน้าเราก็จะกลับมาเกิดมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมแต่นี่ไม่ได้เป็นผลที่เราควรที่จะพุ่งไปเราควรพุ่งไปที่ความสุขใจเป็นหลัก พุ่งไปที่การไม่ยึดติดเป็นหลักพุ่งไปที่การปล่อยวางเข้าของเงินทองเป็นหลักพุ่งไปที่การไม่โลภอยากได้เข้าของเงินทองเป็นหลักเพราะนี่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเราทาบุญให้ทางกันเพื่อที่จิตใจของเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับ ทรัพสมบัติเข้าวของเงินทองที่เราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้และจะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวและอาจจะเสื่อมลงได้ถ้าโลภมากๆอยากได้มากๆหวงมากๆ ก, ก, ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ก็จะทำบาปทำกรรม เพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนตายไปก็เลยขาดทุนทรัพย์ก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้ก็คือผลของบาปก็คืออบายที่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปนี่คือเรื่องของใจของเรามันเป็นเรื่องที่เราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนหรือถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพิสูจนด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเราพิสูจนแล้วเราจะกลับเห็นตรงกันข้ามกับคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปที่มีจิตใจมีกิเลสครอบงำอยู่จะคิดว่าการได้เงินได้ทองได้เข้าของมามากๆนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้มีความสุขแต่ ความจริงแล้วยิ่งมีเงินทองเข้าของมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโลภมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งหวงมากขึ้นไปยิ่งงกมากขึ้นไปยิ่งทุกมากขึ้นไปแต่การที่ให้เงินทองแก่ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นไปนี้กับทําให้ใจมีความสุขสบายมากขึ้นมีความหวงน้อยลง มีความโลภอยากได้น้อยลงไปถ้าไม่เชื่อลองทำดูทำไปแล้วก็จะเห็นผลนี้ที่มีอยู่ภายในใจและจะทำให้ไม่อยากจะไปทำบาปทำกรรมไม่อยากจะไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าเราได้รับความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นเราก็รู้ว่าถ้าเราไปเบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เราก็จะต้องได้รับความทุกข์กลับมานั่นเองนี่คือเรื่องของใจที่ถ้าได้ทําตามตามความต้องการของใจแล้วใจจะมีความสุขใจต้องให้แทนที่อยากแทนที่โลภต้องไม่โลภแทนที่อยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํำรงชีพนี้เป็นการทําให้ใจมีความสุขคือไม่โลภไม่อยาก ไม่ต้องการอะไรต้องการความสงบความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากความไม่โลภไม่อยากทั้งนั้นดังนั้นการทาบุญนี้ก็ทำเพื่อสร้างความสุขที่ใจเช่นเดียวกับการรักษาศีลก็เป็นการป้องกันไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเพราะถ้าเราไปทาบาปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต่อให้ได้เงินมา กี่ร้อยล้านก็ตามแต่ถ้าได้มาด้วยวิธีที่ไม่สุจริตคือทำทุจริตทำผิดศีลผิดธรรมใจจะไม่มีความสุขใจจะมีความทุกข์เหมือนคนที่ถูกตำรวจจับคือถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ไปพบเงินที่ไปโกงมาเก็บไว้ในบ้านพอขโมยถูกจับขโมยก็ บอกตำรวจตำรวจก็เลยมาค้นก็พบเงินที่ไปโกงมาเก็บไว้ในบ้านตอนนี้ก็กำลังถูกดำเนินคดีอย่างนี้มีความสุขหรือไม่มีความสุขขณะที่ซ่อนเงินไว้ในบ้านไว้นั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์นี่เราต้องดูที่ใจของเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราก็ต้องหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม เราได้มาแล้วเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจไม่ต้องเอาไปซ่อนไว้ในบ้านเอาไปฝากไว้ในธนาคารก็ได้ปลอดภัยและไม่ต้องวิตกไม่ต้องห่วงนี่คือเรื่องของการรักษาศินรักษาศินเพื่อป้องกันไม่ให้ใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้ไม่คุ้มเสียเราได้มาแล้วแต่เรา ไม่มีความสุขใจได้มาทำไมสู้ยาได้มาดีกว่าสู้อยู่แบบคนยากคนจนไปดีกว่าแต่ไม่มีความทุกข์ใจดีกว่าอยู่แบบคนร่ำรวยแต่ร่ำรวยโดยโดยไม่ปกติคือโดยโดยการหามาโดยไม่ชอบอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราขาดทุนใจเราทุก เงินทองที่ได้มาไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้นอกจากเอาเงินทองนี้ไปคืนเจ้าของที่เราโกงเข้ามาเท่านั้นเราถึงจะเกิดความสบายใจกับคืนขึ้นมาได้นี่คือการรักษาใจด้วยด้วยศีลคือป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์และไม่ต้องไปใช้กรรมต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าทําบาป ตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมในอาบาดต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมตายไปแล้วก็ถ้ามีบุญก็ไปรับผลบุญที่สวรรค์ชั้นเทพชั้นผมแล้วถ้าหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตา ที่ดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมนี่คือหน้าที่ของการรักษาสินส่วนการภาวนานี้คือการทําใจให้สงบตลอดเวลาให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นงานขั้นที่สา เป็นการดูแลจิตใจขั้นที่สาขั้นแรกเราก็ดูแลด้วยการให้ทานมีข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรเราก็บริจาคสละให้แก่ผู้อืกนไปแล้วเราก็มารักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้ใจเราเกิดความทุกข์และไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อห น, นึ่งแล้วเราก็มาทำใจให้สงบ ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเวลาทําใจให้สงบแล้วใจก็จะเป็นสุขขึ้นมาทันทีเป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีแต่การนั่งสมาธิเราก็นั่งได้ไม่นานเราก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาถ้าใจไปสัมผัสรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดกิเลสตัณหาตามมาก็ได้ เกิดความโล่าเกิดความอยากได้เกิดความกลัวเกิดความไม่อยากได้ขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจเพื่อให้ใจนี้เป็นอุเบกขาให้นิ่งให้สงบเหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิด้วยการสอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรเพราะสิ่งที่อยากได้มานั้นเป็นโทษกับจิตใจ ยกเว้นสิ่งที่จําเป็นต่อการครองชีพคือปัจจัยสี่เท่านั้นที่ไม่เป็นโทษกับจิตใจเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าอยากได้มากเกินกว่านั้นก็จะเป็นโทษกับจิตใจพอจะทำให้ใจต้องมีความผูกพันมีความยึดติดมีความหวงมีความหว่วและมีความเสียใจเวลาที่สูญเสีย สิ่งที่อยากได้มาไปดังนั้นเราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าการได้สิ่งที่นอกเหนือความจำเป็นของร่างกายแล้วนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจเป็นโทษกับใจไม่ได้ให้ความสุขกับใจที่แท้จริงให้ความทุกข์กับใจเนื่องจากใจจะต้องมีความผูกพันมีความรักมีความหวงมีความห่วง มีความอยากให้อยู่กับใจไปตลอดแต่ความจริงของสิ่งต่ตางๆทั้งหลายในโลกนี้เขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาอยู่กับเราวันนี้พวกนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเรารักเราหวงเขาเวลาเขาจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะเขาไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรานั่นเอง สมบัติที่แท้จริงของเราก็คือความสงบนี่แหละความสงบความสุดใจที่เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่พบไหนภูมิไหนที่เราสามารถที่จะรักษาความสงบของใจเราได้ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาที่จะคอยคอยตัดกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจออกจากความสงบออกจากความสุขใจจะสงบใจจะสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ก็ตาม จะออกมานอกสมาธิใจก็ยังสงบยังสุบอยู่ถ้ามีปัญญาคอยทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบของใจนี้นี่คือการดูแลรักษาใจขั้นสูงสุดคือการขั้นภาวนาขั้นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งเป็นงานที่จะํำ จำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องทำแบบมืออาชีพคือต้องถือว่าเป็นอาชีพหลักของเราเลยทีเดียวคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เกิดปัญญาถ้าอยากจะได้ความสงบอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องปล่อยวางงานอื่นๆทั้งหลาย มาทำงานอันนี้เพียงอันเดียวยกเว้นงานที่ต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายเราก็ดูแลไปควบคู่กับการทำงานดูแลรักษาใจของเราคือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระใน พระภิกษุในบวรของพระพุทธศาสนาปฏิบัติกันคือให้ปล่อยวางภาระะกิจอื่นๆทั้งหลายในโลกแล้วให้มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำมาหากินเพราะถ้าต้องไปทำมาหากินเวลาที่จะมาปฏิบัติรักษาใจชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องก็จะไม่สามารถทำได้ก็จะเป็นเหมือนกับคลวาะญาติโยมที่จะทำได้เพียงววลาเล็กน้อยเช่นันละครั้งสองครั้งถ้าพยายามจริงๆเช้าครั้งเย็นครั้ง แต่ถ้าไม่มีภารกิจที่ต้องไปทรมากินเลี้ยมปักเรียงทองเพราะผู้มีมผู้มีจิตศรัทธาพร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยสี่เช่นบิดใสยบาทให้สร้างกุฏิถวายให้ถวายจีวรให้ถวายยูยาค่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้อย่างนี้ก็จะมีเวลาที่จะสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ภายในภพนี้ชาตินี้อย่างแน่ น, นอนถ้าปฏิบัติถูกและปฏิบัติอย่างไม่หยุดหย่อนดังที่ปรากฏมีพระอริยสงสารกที่บรรลุธรรมที่พวกเราได้กราบไหว้บูชากัน แม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีจำนวนมากพอสมควรเพราะท่านเหล่านี้ท่านมุ่งไปที่งานของของจิตใจก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะมีความสุขใจอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่ที่การ ทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาตามกำลังของเราตามฐานะของเราตอนต้นเราก็ทำในฐานะที่เป็นข่าวาดไปก่อนแต่เมื่อเราทำไปแล้วเราได้รับผลเราก็จะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมา เกิดความพอใจความความดีใจยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเกิดความขยันที่จะปฏิบัติให้มากขึ้น <c oughs> ก็จะตัดภารกิจการงานต่างๆที่ไม่สำคัญให้น้อยลงไปจนในที่สุดก็สามารถตัดได้หมดแล้วก็มาปฏิบัติเต็มรูปแบบไม่ว่าจะออกบวช หรือจะอยู่ในเพศของขาลาวาสก็ได้ถ้าตราบใดถ้าเราไม่ต้องมีภาระที่จะต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องภาระอื่นๆทั้งหลายมีเวลาที่จะปฏิบัติได้เต็มที่เพราะเรามีปัจจัยเงินทองเก็บไว้สารองไว้ไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายคือค่าปัจจัยสีแล้วเราก็มีที่อยู่ที่เราพอจะปฏิบัติได้ เราก็สามารถปฏิบัติในเพศคารวะก็ได้หรือถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่คล่องตัวอยากจะออกบวชเลยก็ได้ไปบวชเป็นพระก็ได้ไปบวชเป็นชีก็ได้เหมือนกันชีนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่สถานภาพเป็นหญิงเป็นชายก็บรรลุได้ เป็นพระเป็นชีเป็นค า, ารวาสก็บรรลุได้เพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถานภาพแต่ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่ที่สุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติถูกต้องถ้าได้สามารถปฏิบัติได้ทั้งครบทั้งสี่ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วต่อพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายนั่นเองที่พวกเรากราบว่าบูชา ที่พวกเราได้เห็นพระธาตุของท่านหลังจากที่ท่านได้ตายจากเราไปแล้วนั่นเป็นสักขีปยานของผลที่ท่านได้รับคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แลเป็นเหตุที่จะทำให้ได้มรรคผล น, ผนิพพานไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยใดจะอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าก็ดี หรืออยู่ในยุคปัจจุบันก็ดีไม่มีปัญหาเวลาไม่เป็นปัญหาเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือไม่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ด้วยการเข้าวัดอยู่บ่อยๆทำบุญให้ทานบ่อยๆรักษาศีลให้มากปฏิบัติธรรมให้มากฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากแล้วพลังของใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจจะมีศรัทธามากขึ้นมีวิริยะความภาคเปลี่ยนมากขึ้น มีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นเมื่อใจมีพลังแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายได้อย่างม า, า, ง า, ง า, งมากและสามารถบรรลุมรรคผลและนิพพานได้อย่างง่ายดายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาดูแลรักษาจิตใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติ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 จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ